2 2 8สิพปณีลากาธิปฏิเขปะกะถาว่าด้วยทรงห้ามจีวรสีเขียวล้วนเป็นต้นเรื่องพระฉัพพัีห่มจีวรสีเขียวล้วนเป็นต้น 372. สมัยนั้นพวกภิกษุฉัพพัีห่มจีวรสีเขียวล้วน ห่ ม, <mania> มจีวรสีเหลืองล้วนห่มจีวรสีแดงล้วนห่มจีวรสีบานเย็นล้วนห่มจีวรสีดำล้วนห่มจีวรสีแสดล้วนห่มจีวรสีชมพูล้วนห่มจีวรที่ไม่ตัดชายห่มจีวรมีชายยาวห่มจีวรมีชายเป็นลายดอกไม้ห่มจีวรมีชายเป็นแผ่น 25, สวมเสื้อ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 ไม่พึงห่มจีวรที่ไม่ตัดชายไม่พึงห่มจีวรมีชายยาวไม่พึงห่มจีวรมีชายลายดอกไม้ไม่พึงห่มจีวรมีชายเป็นแผ่นไม่พึงสวมเสื้อไม่พึงสวมหมวกไม่พึงใช้ผ้าโพกศีรษะรูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฏ